สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เป็นเช้าที่เรากำลังเตรียมตัวไปโบสไปนมัสการพระเจ้าผมอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำเรื่องมารีและมาธาซึ่งเป็นบทเรียนของเราที่ดีในเช้าวันนี้พี่น้องครับลูกาได้บันทึกถึงเรื่องราวของครอบครัวที่พระเยซูใกล้ชิดมากที่สุดครับและครอบครัวนี้ ก็ทำให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูด้วยได้รับบทเรียนเช่นเดียวกันเราเห็นนะครับว่ามารีนั้นได้ฉวยโอกาสรับคำแนะนำจากพระเยซูและฟังคำสั่งสอนของพระองค์ในขณะที่มาทาซึ่งอาจจะเป็นพี่สาวกำลังยุ่งกับการเตรียมอาหารให้พระเยซูพี่น้องครับเมื่อมาทาพี่สาวเห็นว่ามารีไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือมาทาก็เลยบ่นต่อว่าพระเยซู บนพระเยซูว่าขอให้เรียกมารีเข้ามาช่วยบนว่ามารีไม่เห็นเธอเข้ามาช่วยเลยมาทาก็เลยได้รับคํากําชับจากพระเยซูว่ามาทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายด้วยร้อนใจหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ครับพระเยซูไม่ได้บอกว่ามาทาไม่ควรเตรียมอาหารนะครับ หรือพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่ามารีไม่ต้องช่วยแต่พระเยซูต้องการให้มาทานั้นเปลี่ยนไมค์เซตที่ผมได้เคยได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับเปลี่ยนไมค d เซตของเขาบางทีพระเยซูก็จะกินอาหารธรรมดาธรรมดาได้เพื่อมาทาจะได้มาฟังพระเยซูท่านคิดเห็นเป็นยังไงครับมาทาต้องทำดีจริงหรือเปล่าครับต้องทาอาหารที่ที่ ดีมากๆเลยแต่ถามว่าพระเยซูนั้นต้องการให้เราทำอะไรก่อนนะครับพระเยซูต้องการให้เราเช็แพรรตีในชีวิตของเรานะครับชีวิตและกิจกรรมในการรับใช้ในการทำเลือกต่างๆต้องสมดุลกันครับการมีเวลาอยู่เงียบๆกับพระเจ้าก็มีความสำคัญเท่ากับการรับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันครับไม่ว่าเราจะรับใช้พระเจ้ามากมายเพียงใดก็ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระองค์ได้เลย ถ้าหากเราไม่ใช้เวลาเข้าเฝ้าพระองค์เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมขอฝากคำว่านา t o ้แลวก็ e อูนะครับคำว่านาโ o นั้นก็เป็นคริสเตียนประเภทหนึ่งครับมาจากคำว่า no action talk only นะผมชอบคำพีคำนี้มากเลยนะครับ no action talk only No action แปลว่าอะไรครับก็คือว่างานการไม่ค่อยทำหรอกครับไม่ค่อยมีอะไรขยับเลยนะครับขยับแต่ส่วนบนครับใต้จมูกก็คือปากเท่านั้นท a l k อล l ีครับนี่คือคนประเภทหนึ่งนะครับอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เหนื่อยนะครับแต่ไม่มีความหมายเหมือนกับมาธาครับ E.U. ครับ E มาจากคาว่า exhaust นะครับก็คือเหนื่อยหมดแรง U มาจากคาว่า unaffected UNAWF ected นะครับ unaffected แปลว่าไม่เกิดผลไม่มีอิทธิพลใดๆเกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพี่น้องครับที่จจั ก, ก็จะมีคนแบบนี้เหมือนกับมาคาครับก็คือ EU ครับ EU คือเหนื่อย exhaust แต่ไม่เกิดผลไว้ความหมายนนะครับหลายครั้งทีเดียวนะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องกลับมาทบทวนหวนคิดคานึงถึงการรับใช้ของเรานะครับว่าเราเป็นนาโต้หรือเปล่านะครับเราเข้าใจใผิดคิดว่าเนี่ยเราทําดีที่สุดเพราะว่าเราสั่งอย่างเดียวครับเราไม่เคยมือเปื้อนเลยหรือไม่เคยเหงื่อแตกเลยหรือไม่เคยเหนื่อยเลยพี่น้องครับหลายหคนชอบเป็นนาโต้นะครับแต่ก็มี อีกกลุ่มหนึ่งชอบเป็น EU ครับก็คือชอบเหนื่อยครับไม่ชอบคิดในวเวโอการครับก็ไม่ชอบฟังด้วยไม่ชอบฟังว่าพระเจ้าต้องการอะไรไม่ชอบฟังว่าคริสจักรนะครับต้องการอะไรไม่อยากจะรู้ว่าพันธกิจหลักนิมิตของคริสจักรเป็นอย่างไร <c oughs> ฉันจะทําตามแบบของฉันนี่คือสิ่งที่อยากจะ ฝากให้กับพี่น้องคิดในเช้าวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ <c oughs> ในพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพระเยซูได้สรุปเรื่องนี้บอกว่าขอพระเจ้าเมตตานะครับให้อธิษฐานทูลขอคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์คนงานนั้นอาจจะเป็นพวกเรานักธุรกิจอาจารย์เซลส์แมนหรือแม้กระทั่งชาวนาชาวไร่เกษตรกร คนงานทุกอาชีพนั้นมีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกันครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือ job description ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือจะต้องมีสถานที่ที่ทํางานอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือพระเจ้าเรียกเราไปทําอะไรที่ไหนนะครับคําว่าที่ไหนก็คือสถานที่ที่พระเจ้าให้เราไป ประการที่สามครับพระเจ้าวางเราไว้อยู่ภายใต้สิทธิธอำนาจของคนบางคนเพราะฉะนั้นเราต้องซับมิตรสีนะครับซับมิตรสีแปลว่าการยอมตัวอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือการยอมอยู่ใต้อานัตอานัตของใครบางคนนะครับประการที่สี่ครับคนงานนั้นจะต้องได้รับประโยชน์หรือค่าจ้างจากงานที่ทําเสมออย่างครับในขณะที่เราเหนืออ่อยนะครับเรา บางคนอาจจะสเปซสปะไม่รู้พระเจ้ามอบหมายงานอะไรมาบ้างเราบางคนก็ยังไม่รู้เลยครับว่าภารกิจอยู่ตรงไหนนะครับสถานที่ที่เราจะต้องโฟกัสให้ความสนใจในเรื่องต่างๆอยู่ตรงไหนด้านต่างๆที่เราจะเข้าไปทํารับใช้พระเจ้านั้นอยู่ตรงไหนนะครับบางคนมีภาระใจที่ที่ไหนครับที่ระวีบางคนมีภาระใจ ที่บนธรรมชา ต, ต้องจะเป็นผู้นํานำักการหรือผู้เล่นดนตรีบางคนมีที่ที่อยากจะรับใช้พระเจ้าที่ไหนครับที่บ้านเลี้ยงเด็กกําพรา้าบางคนมีที่ที่อยากรับช้พรับใช้พระเจ้าก็คือที่สลัมหรือบางคนมีห้องเรียนนะครับเป็นที่รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับสิ่งแต่งเงานี้ครับเราจะต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจงได้รับมอบหมายจากพระเจ้านะครับเราเองนั้น ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนบางคนหรือเปล่านะครับคนที่พระเจ้าแต่งตั้งคนที่พระเจ้าเจอไว้เรายอมไหมที่จะฟังเขาเรายอมไหมที่จะซับมิสตต่อเขาและสุดท้ายครับเราได้รับประโยชน์อะไรจากงานประโยชน์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ประโยชน์เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวแต่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมคริสตจักรคนอื่นๆและที่สําคัญครับประโยชน์นี้เกิดขึ้นกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับพี่น้องครับ วันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้เร า, าทั้งหลายได้มีโอกาสไขครถึงสิ่งที่ผมได้แบ่งปันมาครับอาเมน